บทที่7วิธีเอาชนะความคิดการเอาชนะความคิดเป็นงานที่ยากที่สุดคนที่จะทํางานใหญ่ได้สําเร็จจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถเอาชนะความคิดของตนได้ควบคุมความคิดของตนได้ในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าการทําสมาธิความมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือ เมื่อต้องการจะระ ง, งับความคิดอันใดก็สามารถระ ง, งับได้ทันทีความคิดอันใดที่ไม่ต้องการก็สามารถปัดไปได้ทันทีและเมื่อต้องการจะนึกคิดอยู่ในเรื่องใดก็มีแต่เรื่องนั้นเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้พร้อมทั้งสามารถนึกคิดได้อย่างมีระเบียบและคิดได้นานสมองไม่เพลียความมุ่งหมายในการฝึกสมาธิอันหนึ่ง ก็เพื่อหวังผลดังที่กล่าวมานี้และข้าพเจ้ายังได้กล่าวไว้อีกว่าการรู้แจ้งธรรมในขั้นสูงนั้นใช้ความนึกคิดไม่ได้ผู้ที่จะรู้แจ้งธรรมขั้นสูงจะต้องสามารถบังคับความคิดทุกอย่างให้หยุดได้ปล่อยใจให้สงบมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะจิตและในที่สุดความรู้แจ้งจะเกิดขึ้นเอง โดยอาศัยการเพ่งพิจารณาดูสภาวะต่างๆโดยไม่ต้องใช้ความนึกคิดเพราะถ้าใช้ความนึกคิดจะรู้แจ้งไม่ได้เนื่องจากความคิดทุกอย่างยอ่อมต้องอาศัยภาษาต้องอาศัยความจำและต้องอาศัยประสาทสัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของจำกัดเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะรู้แจ้งทำขั้นสูง ซึ่งมีความหมายละเอียดเป็นการรู้แจ้งด้วยวิบากที่ได้สะสมเอาไว้อย่างเพียงพอแล้วซึ่งเมื่อถึงเวลามันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาเองและคำว่าถึงเวลาก็หมายถึงเมื่อสมาธิได้สมบูรณ์ถึงขีดนั่นเองข้อความที่สรุปมาให้ฟังนี้เป็นวัตถุประสงค์สาคัญของการฝึกสมาธิ และวิธีฝึกสมาธิเพื่ออัชนะความคิดข้าพเจ้าก็ได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งแต่การอธิบายแต่ละครั้งเป็นเพียงอธิบายบางเง่้ยเพื่อจะวางพื้นฐานให้เข้าใจถึงหลักการทั้งหมดของการเอาชนะความคิดในตอนที่แล้วมานี้ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงหลักการสําคัญอันหนึ่งกล่าวคือ อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้ า, าวิชาไม่มีสังขารก็ไม่มีถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีการอธิบายในหัวข้อนี้แม้ว่าจะได้อธิบายมาอย่างมากค่อนข้างจะละเอียดแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็รู้ว่าผู้อ่านโดยทั่วไปจะยังเข้าไม่ถึง ยังไม่อาจที่จะนำหลักอันนี้ไปใช้ให้เกิดผลในเวลาฝึกสมาธิฉะนั้นจึงจําเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกแต่อย่างไรก็ดีโปรดจําไว้ให้แม่นว่าหลักการในเอาชนะความคิดของตนนั้นทุกอย่างมีอยู่ในวข้อนี้ทั้งหมดความคิดทุกอย่างย่อมเกิดจากวิบากของมัน ถ้าวิบากของอันไหนไม่มีความคิดอันนั้นจะมีไม่ได้หลักสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ผู้ที่จะนำไปใช้ได้ผลในเวลาฝึกสมาธิจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ทราบซึ้งมากพอนึกถึงคำเหล่านี้ขึ้นมาก็เข้าใจทันทีโดยไม่ต้องอธิบายโดยไม่ต้องใช้ความคิดใดๆพอนึกถึงก็รู้สึกทราบซึง้ง หรือถ้าจะนึกว่าสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีพอนึกถึงหัวข้ออันนี้ก็เข้าใจทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครอธิบายให้ฟังและตัวเองก็ไม่ต้องคิดด้วยและเมื่อใช้เป็นประโยคภาวนาคือนึกซ้ำๆอยู่แต่คำว่าสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ ถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีทุกครั้งที่นึกก็เข้าใจทันทีและยิ่งนึกก็ยิ่งเข้าใจยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะพอนึกถึงบทนี้จิตสงบทันทีคนที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งและได้ผลดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่า เป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแต่ถ้าหากคนไหนนึกขึ้นมาแล้วคำพูดประโยคนี้ไม่ดึงดูดไม่ทำให้จิตหยุดนิ่งก็แสดงให้เห็นว่ายังเข้าไม่ถึงบทนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนกว่าจะเข้าใจทราบซึ้งอันหนึ่งเมื่อพูดถึงสังขาร ท่านต้องนึกได้ทันทีว่าหมายถึงประสบการณ์ต่างๆที่เก็บสะสมไว้ในสันดานคือเก็บไว้ในพวังขจิตประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้โดยธรรมดาของผู้ที่ยังมีอวิชชาย่อมมีแรงดันสูงมากซึ่งจะสูงแค่ไหนมีแรงดันได้แค่ไหนนั่นขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของวิชาตัณหาและอุปาทาน ถ้าวิชาตันหาและอุปาทานมีน้อยวิบากคือประสบการณ์ต่างๆที่เก็บสะสมเอาไวน้นานก็มีแรงดันน้อยถ้าวิชาตันหาและอุปาทานมีมากแรงดันก็มีมากสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้ดีที่สุดก็คืออารมณ์ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งตามสำนวนของชาวตะวันตกเรียกว่าเครื่องราวสเตีมูลัสเรื่องอารมณ์นี้ไม่ใช่ตัวการที่เป็นแรงกระตุน้นตัวการที่แท้จริงคือวิบากและวิบากมีแรงกระตุน้นก็เพราะอาวิชาตันหาอุปาทานซึ่งจะสังเกตได้ว่าในเรื่องไหนแม้จะเคยมีความรู้ มีความชำนาญในเรื่องนั้นมาอย่างมากแต่ถ้าหากว่าอาวิชชาตัณหาและอุปาทานในเรื่องนี้นั้นมีน้อยแรงกระตุ้นที่จะทำให้เกิดความนึกคิดก็จะมีน้อยจุดจุดนี้คนทั่วไปเข้าไม่ถึงเพราะคอยแต่จะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคือแรงกระตุ้นที่สําคัญโปรดนึกถึงหลักนี้บ่อย สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีสังขารมีขึ้นก็เพราะวิชาถ้าวิชาไม่มีสังขารก็ไม่มีอย่าลืมว่าถ้าวิชาไม่มีย่อมหมายถึงตัณหาอุปาทานไม่มีด้วยถ้าตัณหาอุปาทานในเรื่องไหนยังมีอยู่ก็หมายความว่า สังขารยังมีและเมื่อพูดถึงสังขารในที่นี้ย่อมหมายถึงประสบการณ์ที่มีแรงดันซึ่งแรงดันที่ว่านี้จะควบคุมไม่ได้หรือบังคับไม่ได้ถ้าหากมันได้ประสบการณ์ที่เคยก่อให้เกิดวิบากอ น, นันต์เพราะเหตุนี้คนทั่วไปจึงไปเข้าใจเสียว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้เกิดความนึกคิดแทนที่จะเข้าใจว่าวิบากคือตัวการสำคัญข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจว่าวิบากนี่แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความนึกคิดตราบใดที่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ การที่เอาชนะความคิดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้นึกถึงเรื่องหญ้าคาที่ฝังอยู่ในดินถ้ารากมันยังดีอยู่ไม่เน่าไม่เสียไม่ตายมันก็พร้อมที่จะแทงหน่อขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าดินได้รับความชุ่มชื้นถ้าดินยังแห้งอยู่มันก็จะยังไม่แทงหน่อขึ้นมาอะไรคือตัวการสําคัญ ที่ทำให้หญ้าคาแทงหน่อขึ้นมาน้ำหรือตัวหญ้าคาเองข้อนี้ฉันใดเขาได้โปรดทำความเข้าใจให้ดีที่สุดว่าความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าหากคนไหนแม้ว่าในชีวิตนี้จะไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยรักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดในกาม แต่ความคิดในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเป็นบางขณะหรือบางครั้งก็เกิดบ่อยแต่ก็ไม่ทำเพียงแต่คิดอยู่ในใจถ้าหากคนไหนมีความคิดอย่างนี้ก็หมายความว่าในชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์เคยรัยกทรัพย์เคยประพฤติผิดในกรมมาแล้วมิบาของกรรมอันนี้ยังมีอยู่ในสันดานเพราะฉะนั้น ความคิดอันนี้จึงได้เกิดขึ้นจงสังเกตว่าความคิดอันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะไม่เห็นตัวอย่างหรือเพราะมีโอกาสหรือเพราะมีใครมาแนะนำชักชวนเพราะถ้าหากวิบากในเรื่องนี้ไม่มีแม้จะได้เห็นตัวอย่างจากคนอื่นหรือมีใครมาชักชวนความคิดในเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ตัวอย่างนี้โปรดจําไว้ให้แม่นและทําความเข้าใจเสียให้ดีความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าอาวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีหมายความว่าถ้าเรารู้แจ้งแล้วว่าวิบาสทุกอย่างความนึกคิดทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นสังฆตาธรรมไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาและรู้แจ้งแล้วว่าการมีนามรูปเกิดขึ้นเป็นทุกข์ตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสได้คือความพ้นทุกข์การรู้แจ้งเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นก็หมายความว่าอวิชชาไม่มีและถ้าหากว่าอวิชชาไม่มีจริงๆก็หมายความว่า จะไม่มีการเผลอหรือการลืมเลยไม่ว่าในขณะไหนไหนกล่าวคือทุกขณะจะสานึกได้เสมอว่าความคิดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรานามและรูปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราและมองเห็นโทษของการยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราหรือของของเราและพร้อมกันนั้น ก็ได้เห็นประโยชน์ของการปล่อยวางอยู่ทุกขณะแม้กระทั่งในเวลาหลับก็ยังสํานึกได้เช่นนี้เสมอจะไม่มีความฝันเกิดขึ้นเพราะถ้าความฝันเกิดย่อมหมายถึงอวิชาตันหาอุปาทานยังมีอยู่เพราะอาวิชาตันหาอุปาทานเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดความฝันชีวิตในความฝันเป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าตันหาอุปาทานมีพบต้องมีถ้าตันหาอุปาท า, า, า, า, านไม่มีพบก็ไม่มีหมายความว่าถ้าตันหาอุปาทานในเรื่องไหนไม่มีเลยในสันดานปราศจากตันหาอุปาทานในเรื่องนั้นจริงๆความฝันเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เล ย, เ, ลยเป็นอันขาดการเอาชนะความคิด จะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่างๆดังที่กล่าวมาในที่สุดท่านจะเห็นว่าการเอาชนะความคิดที่ว่าเป็นงานที่ยากที่สุดนั้นถ้าทำให้ถูกต้องหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมชาติจริงๆก็จะทำได้โดยไม่ยากการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณนะ คนที่ต้องการเจ้าชนะความคิดของตนเองในขณะเข้าสมาธิจะต้องพยายามนึกถึงคำพูดประโยคนี้อยู่เสมอใช้คำพูดประโยคนี้เป็นบทภาวนาสลับกับบทภาวนาที่ได้เคยให้มาแล้วคือความคิดทุกอย่างย่อมเกิดจากวิบากของมันถ้าวิบากไม่มีความคิดก็ไม่มีบทภาวนาทั้งสองบทนี้ ต้องใช้คู่กันไปเสมอจะช่วยทำให้ระ ง, งับความคิดได้ดีแต่ก็อย่าลืมว่าในขณะที่ภาวนาบทใดก็ตามจะต้องพยายามหัดให้มีสติกำกับทุกคำพูดทุกพยางพร้อมกับพิจารณาให้เข้าใจถึงความหมายด้วยในคำพีวิสุทธิมรตตอนทีท่อธิบายถึงเรื่องอาณาปานาสติสมาธิท่านได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอานาปานสติสมาธิจะต้องใช้สติและปัญญามากคำพูดประโยคนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามจดจำเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติโดยธรรมดาการฝึกสมาธิโดยวิธีกำหนดลมหายใจความมุ่งหมายก็เพื่อเป็นการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับลมหายใจทุกระยะทุกขณะจิต จงสังเกตว่าลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนั้นขึ้นอยู่กับจิตด้วยถ้าหากจิตหยุดลมหายใจก็หยุดเมื่อจิตเกิดลมหายใจก็เกิดคือจะเคลื่อนไประยะหนึ่งเท่าขนาดจิตหนึ่งเมื่อจิตเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆลมหายใจก็จะผ่านเข้าและผ่านออกเป็นระยะระยะตลอดไปกล่าวคือ เมื่อจิตเกิดขนาหนึ่งลมหายใจก็จะผ่านไประยะหนึ่งเมื่อจิตดับลมหายใจก็หยุดหลักอันนี้จะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีผู้ที่กาหนดลมหายใจได้ทุกขนาจิตก็เท่ากับกาหนดลมได้ทุกระยะและถ้าหากขณะใดาสติไม่เผลือเลยในขณะนั้น ก็จะรู้สึกถึงลมที่ผ่านไปได้อย่างชัดเจนและถ้าขณะใดเผลอสติซึ่งเป็นขณะที่จิตไปนึกถึงสิ่งอื่นในขณะนั้นจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจโดยธรรมดาจิตที่เกิดแต่ลักณะย่อมมีอารมณ์อันเดียวหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นนั้นเมอนึกถึงอารมณ์อันใด จะมีแต่อารมณ์อันนั้นเพียงอันเดียวคือในขณะเดียวกันนั้นจิตจะไปนึกถึงอารมณ์อื่นไม่ได้และในทํานองเดียวกันในเรื่องวิญญาณทั้งหในขณะใดการเห็นเกิดในขณะนั้นวิญญาณอีกห้าอย่างคือการได้ยินหรือการรู้สึกกลิ่นเป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือในขณะใดมโนวิญญาณเกิด ในขณะนั้นวิญญาณทั้งห้าเช่นการเห็นหรือการได้ยินเป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจให้ดีอย่าลืมว่าการฝึกอาณาปานสติสมาธิจะต้องใช้สติและปัญญามากและปัญญาที่ว่านี้ก็คือความเข้าใจในสภาวะต่างๆ ดังที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นต้นจงจำให้ดีว่าจะต้องใช้ปัญญามากปัญญาหมายถึงความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงไม่ใช่ความเข้าใจที่สักแต่ว่าจำมาได้ลมหายใจผ่านเข้าออกเป็นระยะระยะซึ่งระยะหนึ่งก็เท่ากับจิตที่เกิดขณะหนึ่งจิตเกิดระดับเร็วมากเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ เพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนกาหนดลมหายใจได้ทุกระยะก็เท่ากับกาหนดจิตได้ทุกขณะจิตที่จะได้ชื่อว่าอยู่ในฌานหรือเข้าถึงฌานนานจงจำไว้ว่ามาโนวิญญาณจะต้องเกิดและดับอยู่กับลมหายใจตลอดทุกขณะจิตโดยไม่ตกพวังเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่า วิญญาณทั้งห้าจะไม่เกิดขึ้นเลยตราบเท่าที่จิตยังอยู่ในฌานถ้าวิญญาณทั้งห้าไม่เกิดก็หมายความว่าในขณะนั้นจะไม่มีการเห็นจะไม่มีการได้ยินจะไม่รู้สึกกลิ่นไม่รู้สึกรสและไม่รู้สึกถึงร่างกายจิตที่เกิดมีแต่มโนวิญญาณอย่างเดียวและในเมื่อเป็นการกาหนดลมหายใจ ก็หมายความว่าในขณะนั้นจิตจะนึกถึงแต่ลมหายใจที่ปรากฏขึ้นในห้วงนึกนี้จะมีลักษณะอย่างเดียวกับลมที่ปรากฏที่ปลายจมูกหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติให้ยามกำหนดลมที่ปลายจมูกน้นเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิในระยะแร ก, แรก จะมีกายวิญญาณเกิดดับสลับกับมโนวิญญาณกล่าวคือขณะหนึ่งกายวิญญาณจะรู้สึกถึงลมที่หมักระทบที่ปลายจมูกต่อมาอีกขณะหนึ่งมโนวิญญาณจะเกิดคือนึกถึงลมหายใจในห้วงนึกหรือในมโนทวานในทำนองเดียวกันกับเมื่อเราเห็นอะไรแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เห็น การเห็นคือจักสูวิญญาณการนึกถึงสิ่งที่เห็นคือมโนวิญญาณการรู้สึกถึงลมที่มากระทบที่ปลายจมูกก็คือกายวิญญาณอีกขณะหนึ่งต่อมาจึงมีการนึกถึงลมที่มากระทบอันนี้คือมโนวิญญาณตรงนี้ถ้าหากผู้ปฏิบัติมีสติและปัญญาไม่พอ ก็จะมองไม่เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้ในขณะที่รู้สึกแน่วแน่คือจิตอยู่กับลมหายใจตลอดนานบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าตนเองรู้สึกถึงลมภายนอกที่ผ่านออกตามปกตินั่นเองไม่รู้ว่าอันที่แ้ลมหายใจที่ทาให้จิตแน่วแน่น้นคือลมที่ปรากฏในห่วงนึ้ เพราะเหตุที่มันมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติส่วนมากจึงเข้าใจว่าเป็นลมภายนอกในการปฏิบัติเรื่องกสินคือการเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งเป็นต้นว่าจุดทูกหรือจุดเทียนปักเอาไว้แล้วนั่งให้ห่างพอสมควรเพ่งดูที่ทูกหรือเทียนที่จุดไว้นั้น เมื่อเรามองดูสักครู่หนึ่งแล้วหลับตาในระยะแรกๆจะเห็นว่าไฟทูปหรือไฟเทียนปรากฏในห้วงนึกนี้จะมีลักษณะอย่างเดียวกับไฟทูปและไฟเทียนในขณะที่ลืมตาดูผู้ที่มีสมาธิไม่ดีจะเห็นได้ไม่นานประเดียวเดียวภาพนั้นก็เลือนหายไป ส่วนผู้ที่มีสมาธิดีจะเห็นไฟทูบหรือไฟเทียนปรากฏอยู่ในใจได้นานและจะมีลักษณะอย่างเดียวกับไฟทูกหรือไฟเทียนในขณะลืมตาดูจงจำหลักวิชาไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเพ่งมองดูในขณะลืมตาเรียกว่าบริกรรมนิมิตเมื่อหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่ในใจ ภาพที่ปรากฏในใจซึ่งเรียกตามสำนวนบาลีว่าปรากฏในมโนทวารภาพอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตและถ้าภาพที่เกิดในใจนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งก็เรียกว่าปฏิภาคคณิมิตในเรื่องลมหายใจก็เหมือนกันลมภายนอกที่สูดเข้าไปและลมที่ออกมาจากปอด ซึ่งกำหนดเพ่งดูที่ปลายจมูกลมอันนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตส่วนลมที่ปรากฏในห้วงนึกเรียกว่าอุคาหานิมิตหรือปฏิภาคคณิมิตกล่าวคือลมที่กำหนดไว้ในใจนั้นถ้าหากกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างรู้สึกถึงลมไม่ใครชัดลมอันนี้ก็เรียกว่าอุคาหานิมิต แต่ถ้าหากลมปรากฏชัดในใจซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าใจของตอนกำหนดลมได้ทุกขณะไม่มีเผลือไม่ได้นึกถึงสิ่งอื่นเลยลมอันนี้เรียกว่าปฏิภาคคณิมิตในขณะที่จิตอยู่ในฌานหรือเข้าถึงฌานาน้นวิญญาณทั้งห้าจะไม่เกิดเลย จะมีแต่มโนวิญญาณเกิดดับอยู่กับอารมณ์อันเดียวตลอดเวลาและในเมื่อมีแต่มโนวิญญาณเกิดก็หมายความว่าในขณะนั้นจะมีแต่ธรรมารมส่วนรูปารมสัตธารมคันธารมรส า, ารมและผัวธารมไม่มีเพราะรูปารมเป็นอารมณ์ของจักษุวิญญาณ สัตธารมณ์เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณคันธารมณ์เป็นอารมณ์ของขานวิญญาณรสารมณ์เป็นอารมณ์ของชิวหาวิญญาณโหดทับพารมณ์เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณโหดทับพารมณ์ก็คืออารมณ์ที่จะพึงรู้ได้ทางกายสัมผัสลมหายใจที่มากระทบที่ปลายจมูก ก็คือโพธพภารมส่วนธรรมารมหมายถึงอารมณ์ทุกอย่างที่ปรากฏในมโนทวารคือในห้วงนึกหลักวิชาต่างๆเหล่านี้จะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่าลืมว่าการฝึกอานาปานสติสมาธิจะต้องใช้สติและปัญญามากการฝึกสมาธิก็คือการฝึก เพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะทำไมข้าพเจ้าจึงบอกว่าให้ภาวนาบทนี้บ่อยๆท่านเข้าใจความมุ่งหมายหรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยการที่จะฝึกสมาธิให้ได้ผลนั้นสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือ จะต้องตั้งจุดหมายให้ถูกและจุดหมายที่ตั้งเอาไวน้นี้จะต้องเป็นจุดหมายที่บริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดกิเลสถ้าหากตั้งจุดหมายผิดแทนที่จะได้ผลหรือเป็นประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษเสียด้วยซ้ําไปผู้ปฏิบัติในทางสมาธิที่หวังจะเป็นผู้วิเศษหรือหวังลาบสการะก็ตาม การฝึกจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรและยิ่งกว่านั้นถ้าหากไม่คอยกำหนดจุดหมายให้ชัดมันก็จะเหมือนกับการยิงเป้าเราจะต้องรู้ให้แนนอนซะก่อนว่าจุดที่เราจะยิงให้ถูกนั้นอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องเล็งไปยังจุดนั้นในทานองเดียวกันเราจะต้องพยายามย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่า จุดหมายของการฝึกสมาธิอยู่ที่การฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะพยายามฝึกบ่อยๆนานๆเข้าก็จะเกิดความเคยชินและในที่สุดเมื่อเราตั้งใจจะทำสมาธิเมื่อใดจิตของเราก็จะแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ซึ่งจะทำได้โดยไม่ยากและการที่ทำได้เช่นนั้น ก็เพราะมีความเคยชินซึ่งเมื่อพูดตามหลักวิชาก็หมายความว่าในขณะที่เราฝึกสมาธินั้นขณะใดจิตสงบมีสติอยู่กับตัวขณะนั้นวิบากของสมาธิและวิบากของสติย่อมจะเกิดขึ้นในสันดานผู้ที่สะสมวิบากของสมาธิและวิบากของสติเอาไว้มากแล้ว ย่อมจะเข้าสมาธิได้ง่ายจงจำไว้ให้ดีว่าจุดหมายที่แท้จริงของการฝึกสมาธินั้นอยู่ที่ต้องการจะฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะจุดหมายอย่างอื่นนอกจากนี้อย่าเพิ่งตั้งใจเอาไว้ในภายหลังคือหลังจากที่สติของเรามั่นคงดีแล้วเข้าสมาธิได้ง่ายและรวดเร็ว และอยู่ในสมาธิได้นานแล้วเมื่อมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจึงค่อยตั้งความปรารถนาอย่างอื่นถ้าหากไม่มั่นภาวนาบทนี้บ่อยก็อาจจะเผลอหรือลืมตัวไปเที่ยวปรารถนาอย่างอื่นและเมื่อมีความปรารถนาอย่างอื่นเกิดขึ้นแล้วกิเลส ต, ต่างๆเช่นราคะตัณหาหรือความโลภก็จะต้องเกิดขึ้น ครั้นแล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านเข้าสมาธิไม่ได้การฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวบทนี้จะต้องภาวนาบ่อยๆเพราะเป็นการเตือนตัวเองให้รู้จักจุดหมายที่ถูกต้องของการฝึกสมาธิคนที่ภาวนาอยู่อย่างนี้บ่อยๆซึ่งในขณะที่ภาวนา ก็พยายามที่จะให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะนั้นเขาเจากล้ารับรองได้ว่าในไม่ช้าก็สามารถเจ้าชนะความคิดได้และสามารถที่จะให้จิตอยู่กับลมหายใจได้ตลอดโดยไม่เผลอแต่ก็อย่าลืมว่าอีกวทหนึ่งที่จะต้องภาวนาบ่อยๆก็คือการฝึกอานาปานสติสมาธิ จะต้องใช้สติและปัญญามากชีวิตทุกอย่างย่อมเกิดและเจริญเติบโตมาจากรากฐานภายในสิ่งแวดล้อมเป็นแต่เพียงส่วนประกอบมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งโอปปาติกะทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎอันเดียวกันนี้เพราะเหตุนี้พ้าพุทธเจ้าจึงตรัสว่า กรรมมุนาวัตตีโลโก โ, โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือตามวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในสันดาน ทีปควรจะเริ่มฝึกสมาธิเมื่อไหร่จึงจะฝึกได้ง่ายโดยธรรมดาทำนบสำหรับกั้นน้ำถ้าหากว่าน้ำที่ไหลามามีกำลังแรงมากทำนบที่กั้นไม่แข็งแรงพอก็ย่อมจะพังกั้นน้ำไว้ไม่อยู่ครั้นแล้วน้ำก็จะไหลบ่าไปในทิศทางต่างๆแต่ถ้าหากทำนบมีความแข็งแรงพอ ก็สามารถจะบังคับน้ำให้หยุดหรือให้ไหลไปในทางไหนก็ได้ข้อนี้ฉันใดการฝึกสมาธิก็เปรียบเหมือนกับการสร้างทำนบกั้นน้ำถ้าหากว่าคนใดพอตั้งใจที่จะให้จิตเป็นสมาธิก็สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ในทันทีสามารถปัดความคิดที่ไม่ต้องการทุกอย่างออกไปได้หมด จะไม่คิดอะไรเลยทําใจให้ว่างได้หรือจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้คนที่สามารถเข้าสมาธิได้อย่างนี้จะต้องเป็นคนที่ฝึกสมาธิมานานและฝึกอย่างได้ผลมีวิบากของสมาธิอยู่ในสันดานมากสะสวมวิบากของสมาธิไว้ได้มากท่านลองคิดดู ถ้าหากเรามีความสามารถเข้าสมาธิได้เช่นนี้เราจะมีความสุขและมีความสามารถในการทำงานได้เพียงไรแต่โดยปกติคนที่ทำได้เช่นนี้หาได้ยากมากทั้งนี้ก็เพราะในชีวิตประจำวันปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านอยู่เสมอไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะทําให้ประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไวในสันดานมีแรงดันสูงมากและในเมื่อวิบากของสมาธิมีน้อยก็ยังไม่มีทางที่จะควบคุมความคิดได้ไม่สามารถที่จะทําจิตให้หยุดนิ่งไม่คิดอะไรเลยหรือจะคิดแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าหากใครสะสมวิบากของสมาธิเอาไว้มากในสันดาน แม้จะมีแรงดันของวิบากสูงสักเพียงไรถ้าหากกำลังสมาธิพอแล้วก็สามารถที่จะหยุดยั้งความคิดทุกอย่างได้หมดความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันโดยปกติคนเราเมื่อได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินอะไรถ้าหากมีความประทับใจคือมีตัณหาอุปาทานก็เกี่ยวอยู่ในสิ่งนั้นมาก ในเวลานั่งสมาธิความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เคยผ่านมาจะเกิดแล้วเกิดอีกระงับไม่อยู่ถ้ายิ่งมีความรักความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีตันหาุปาทานในสิ่งนั้นมากแรงดันของวิบากคือประสบการณ์ที่เก็บเอาไวน้นี้ก็ยิ่งจะมีมาก มันเหมือนกับชายใดก็ตามเมื่อได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งแม้จะเป็นการพบครั้งแรกแต่ถ้าหากมีความรักมีความพอใจในผู้หญิงคนนั้นมากและถ้ายิ่งได้มีโอกาสคุยด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันความฝังใจก็จะมีมากครั้นแล้วก็จะอดนึกถึงเขาไม่ได้ความคิดจะวนเวียนอยู่กับผู้หญิงคนนั้น ในเวลานั่งสมาธิก็จะเห็นแต่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นในความหมายอย่างนี้แหละที่เปรียบเหมือนกับน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่ต่างๆถ้าหากแรงดันมีมากกำลังของทำนบไม่พอทำนบก็ย่อมจะพังแต่ถ้าทำนบแข็งแรงพอก็ไม่เป็นไรในชีวิตของคนธรรมดาที่เป็นปุถุชน ย่อมจะมีความรู้สึกฝังใจในสิ่งต่างๆมากมายสำหรับคนประเภทนี้ถ้าหากได้เคยฝึกสมาธิมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเด็กแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังฝึกอยู่เสมอต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหรเข้าได้ทันทีผู้ที่ฝึกสมาธิไว้ดีเช่นนี้ก็เปรียบเหมือนทำนบที่แข็งแรงเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะมีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะสามารถระงับได้ทันทีเสมอแต่คนที่จะทำได้อย่างนี้หายากมากขอได้โปรดจำไว้ว่าเราจะมาฝึกสมาธิเอาในตอนที่มีอารมณ์รุนแรงมีความกดดันอยู่อย่างมากมายมีความรู้สึกฝังใจในสิ่งต่างๆหลายอย่างในตอนนี้ยากที่จะฝึกได้ แต่ถ้าหากเราได้เริ่มฝึกมาตั้งแต่สมัยที่จิตใจยังว่างอยู่มากอารมณ์ค้างต่างๆยังไม่ค่อยมีความกดดันต่างๆก็ไม่ค่อยมีถ้าเราเริ่มฝึกมาซตั้งแต่สมัยนี้และฝึกอยู่เรื่อยๆทั้งถือเป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติทุกๆวันอย่างน้อยวละสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงถ้าฝึกหัดอย่างนี้ได้ตลอดมา ก็จะเป็นคนที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่มีโชคดีที่สุดคนโดยมากมักจะมาเริ่มสนใจก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันสายทำนองเดียวกับป่วยมากแล้วจึงไปโรงพยาบาลคนทั่วไปยังถือคติว่าแก่แล้วจึงค่อยเข้าวัดถ้ายังมัวยุ่งอยู่กับการงานยังคิดสร้างตัวอยู่ก็ยังไม่คิดที่จะเข้าวัด การถือแบบนี้เป็นผลเสียหายมากโตแล้วจึงเข้าโรงเรียนเราจะเห็นได้ชัดว่ายากที่จะเรียนหนังสือได้เก่งการเรียนกับการฝึกสมาธิควรจะคู่กันมาตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนทีเดียวจึงจะสามารถใช้สมาธิได้ดีก่าวคือเมื่อต้องการจะปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปเมื่อไหร่ ก็จะสามารถทําได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตกใจหรือทําให้เกิดความกลัวหรือทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือทําให้เกิดความโกรธแค้นมากสักเพียงไรก็ตามเราก็สามารถระ ง, งับได้เสมอทางแห่งความพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ซึ่งเป็นทางเดียวที่ได้ผลแน่นอน คือนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงๆก็มีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นคือศีลสมาธิและปัญญาคนในโลกน้อยคนนักหนาที่จะสานึกได้ว่าทางที่เขาดำเนินอยู่ซึ่งเขาเข้าใจว่าจะเป็นทางที่ทำให้เขามีความสุขเป็นทางทำให้พ้นทุกข์ได้นั้นความจริงไม่ใช่ทางมันเป็นเพียงส่วนประกอบ เหมือนกับสเสบียงในการเดินทางเท่านั้นเพราะว่าตราบใดที่เขายังไม่มีศีลยังเข้าสมาธิไม่ได้ยังไม่เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเขาก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขอันแท้จริงได้เลยไม่ว่าเขาจะใหญ่โตในเรื่องการเงินในเรื่องอำนาจหรือในเรื่องความรู้ความสามารถเพียงไรก็ตาม ความหลงผิดในเรื่องนี้ได้ครอบงามจิตใจมนุษยชาติมาเป็นเวลานานการศึกษาในทางโลกทุกอย่างแทนที่จะทำให้คนเรามีความฉลาดในทางที่จะเป็นประโยชน์คือเป็นความฉลาดที่สามารถช่วยตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆมันกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขามีอยู่เกือบจะทุกอย่างนั่นเอง ได้กลายเป็นความมืดทําให้เขาต้องวนเวียนอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าทางที่ถูกอยู่ที่ไหนมีเงินแต่เข้าสมาธิไม่ได้มีความรู้ปราดเปรื่องแต่เข้าสมาธิไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เข้าสมาธิไม่ได้สิ่งที่มีอยู่นี้จะให้ประโยชน์น้อยมากถ้าหากผู้ใดรู้สึกตัวได้เช่นนี้จริงๆ ก็จะทำให้การเข้าสมาธิง่ายขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนมีศรัทธาศรัทธายิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งจะทำให้การเข้าสมาธิง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ศรัทธาที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาคือเข้าใจเหตุผลเข้าใจเรื่องราวที่จะต้องปฏิบัติด้วย เท่าที่สังเกตคนส่วนมากที่ฝึกสมาธิกันไม่ค่อยได้ก็เพราะศรัทธามีไม่พอผู้ที่มาขนขวายฝึกสมาธิในตอนที่มีเรื่องยุ่งมากมีเรื่องกังวลใจเกิดขึ้นมากก็จะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพราะความยากในการปฏิบัติมีมากต้องใช้เวลานานต้องต่อสู้กับความคิด ความฟุ้งซ่านของตัวเองมากมายกว่าจะเอาชนะได้แต่ถ้าฝึกในสมัยที่ยังเป็นเด็กหรือในระยะเวลาที่ตัวเองกำลังมีความสบายไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งยากไม่มีภาระมากแม้ศรัทธาจะไม่มากก็สามารถจะปฏิบัติไปได้ศรัทธาเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นประการแรกของผู้ที่จะมาฝึกสมาธิ ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีอยู่ว่าผู้ที่จะสามารถเข้าฌานได้นั้นนอกจากจะต้องมีความสามารถแน่นที่จะนึกคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวคือมีวิตกมีวิจารณ์มีเอกคตาและมีปีติมีสุขหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยแล้วจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติและปัญญาอีกด้วย เพราะคุณธรรมเหล่านี้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันและจะต้องมีอยู่อย่างสมดุลอีกด้วยกล่าวคือศรัทธากับปัญญาจะต้องสมดุลกันหมายความว่าจะเชื่ออะไรจะต้องมีเหตุผลจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เชื่อและในทานองเดียวกันผู้ที่จะเข้าใจในสิ่งใดได้อย่างถูกต้องก็จาเป็นที่จะต้องรู้จักเชื่อ ในสิ่งที่ควรเชื่อไว้ก่อนแม้จะยังไม่เข้าใจก็ตามถ้าไม่ยอมเชื่ออะไรเลยในเมื่อสิ่งที่ควรจะเชื่อนั้นผิดไปจากเรื่องที่ตนเองเคยเชื่อมาก่อนก็จะไม่มีทางเข้าใจเหตุผลและความจริงของสิ่งที่ผิดไปจากความเข้าใจเดิมและความรู้จะก้าวหน้าไปยากพูดง่ายๆว่า จะต้องเป็นคนที่รู้จักรับฟังเหตุผลจากคนอื่นบ้างอย่าเพิ่งปฏิเสธเสียตั้งแต่แรกในเมื่อเรื่องนั้นไม่เป็นที่ถูกใจหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่มากมายที่นักศึกษาส่วนมากไม่เห็นด้วยและไม่ยอมเชื่อทั้งนี้เป็นเพราะไม่อดทนพอที่จะพยายามศึกษาให้ตลอด ซึ่งถ้าหากเขาจะพึงมีศรัทธาอยู่บ้างแล้วพยายามศึกษาให้ตลอดเขาก็จะมองเห็นเหตุผลและความจริงและยอมเชื่อได้อย่างสนิทใจวิริยะกับสมาธิก็ต้องสมดุลกันหมายความว่าผู้ที่ฝึกสมาธิถ้าหากตั้งใจมากเกินไปหรือใจร้อนมุ่งจะให้สำเร็จเร็วๆโดยไม่รู้พื้นฐานของตน ว่าจะไปได้แค่ไหนถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดความฟุง้งซ่านเข้าสมาธิไม่ไเลยความตั้งใจและความเพียรในอันที่จะทาสมาธิจะต้องเป็นไปอย่างสงบอย่างใจเย็นจึงจะสามารถฝึกสมาธิได้เป็นผลสำเร็จและอีกประการหนึ่งผู้ที่ฝึกสมาธินานถ้าหากทำมากไปไม่ทำตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ ติดอยู่ในสมาธิมากไปถึงเวลาเลิกแล้วก็ยังไม่เลิกก็จะทำให้เกิดความเกียดคร้านผู้ที่ฝึกสมาธิได้ผลดีมักจะเป็นเช่นนี้เสมอวิธีแก้ก็คือให้พยายามฝึกตามเวลาที่กำหนดไว้ถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกและถึงแม้ว่าบางคนจะมีเวลาฝึกสมาธิทั้งวันและทั้งคืน ก็จะต้องมีการเปลี่ยนอารมณ์ไปทำอย่างอื่นบ้างและจะต้องมันพิจารณาหัวข้อธรรมต่างๆด้วยการเข้าสมาธิทำใจให้นิ่งอยู่เฉยๆในเมื่อจิตสงบไม่คิดอะไรเลยก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งคนที่ทำได้ก็มักจะติดไม่ยอมพิจารณาอันนี้คืออุปสรรคอันหนึง่งซึ่งจะทำให้ก้าวหน้าไปได้ยาก แม้ในการฝึกเพื่อที่จะเข้าฌานในขั้นสูงต่อๆไปแต่ละขั้นนั้นตามหลักในคำพีก็สอนไว้ว่าให้ถอยออกมาจากการสงบนิ่งอยู่เฉยเยโดยไม่คิดอะไรนั้นแล้วเริ่มต้นพิจารณาสภาวะต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาหรือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในสภาวะที่กำลังเป็นอยู่ต้องปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะสามารถเข้าสมาธิขั้นสูงต่อไปได้อันหนึ่งสำหรับคาราวาสซึ่งมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากมายไม่มีใครที่จะมานั่งสมาธิทั้งวันอยู่ได้สำหรับบุคคลประเภทนี้จะต้องถือเป็นกฎอย่างเคร่งครัดทีเดียวว่าเมื่อถึงเวลาฝึกก็ต้องเข้าฝึกทันทีเมื่อถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกทันที เว้นไว้แต่จะมีความชํานาญในการเข้าสมาธิอยู่แล้วเวลาที่กําหนดเอาไว้ก็อาจจะยืดยืนได้แต่ถ้ายังไม่ชํานาญการปฏิบัติให้ตรงตามเวลาเป็นหลักสําคัญอันหนึ่งจะเว้นไม่ได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่จะสามารถเข้าสมาธิขั้นสูงคือเข้าชานได้จะต้องมีศรัทธามีวิริยะ มีสติและมีปัญญาทมเหล่านี้อยู่ในหัวข้อเรื่องอินทรีห้าหรือภลระห้าซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำห้าประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างได้ชื่อว่าเป็นอินทรีคำว่าอินทรีแปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัว เหมือนกับคาว่าตาก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งเรียกว่าจักขุนซีหูก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งเรียกว่าโสตินรีซึ่งหมายความว่าในเรื่องการเห็นใครจะมาทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับตาไม่มีตาเป็นใหญ่ในเรื่องการดูหูเป็นใหญ่ในเรื่องการฟังอย่างนี้เป็นต้นในทานองเดียวกัน ศรัทธาก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ที่จะทําให้ใจมีความมั่นคงไม่โลเลวิริยะเป็นใหญ่ในเรื่องกําจัดความเกียดคร้านสติเป็นใหญ่ในเรื่องการช่วยประคับประคองคุณธรรมทุกอย่างให้ตั้งมั่นและช่วยให้คุณธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันใดที่เกิดอยู่แล้วก็จะช่วยให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้น ในเมื่อหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอสมาธิก็เป็นใหญ่ในเรื่องกำจัดความฟุ้งซ่านปัญญาก็เป็นใหญ่ในเรื่องกำจัดความไม่รู้หรือความหลงผิดในบรรดาคุณธรรมทั้งห้าอย่างนี้ข้าพเจ้าได้ที่บายมาแล้วสี่หัวข้อคือศรัทธากับปัญญาต้องสมดุลกันวิริยะกับสมาธิจะต้องสมดุลกันส่วนสติ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าควรจะให้มีอยู่เสมอทุกขณาจิตสติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจงสังเกตจากปชิโมโอวาาที่ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอและพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอีกว่า กุศลธรรมทุกอย่างมีกําเนิดมาจากความไม่ประมาทรวมอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทุกอย่างและอีกบทหนึง่งได้ตรัสกับพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะ จ, จิตอย่างนี้เป็นต้น จากพุทธพจน์ต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาสติให้มีอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะและตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่าปุถุชนหรือภริยาบุคคลขั้นต่ำแม้จะมีภูมิธรรมสูงสักเพียงไรก็ตาม จะสามารถเข้าสมาธิได้เก่งจเจริญวิปั ส, สนาได้เก่งเพียงไรก็ตามยังมีเวลาที่จะเผลอสติได้บุคคลที่มีสติสมบูรณ์ทุกขณะจิตไม่มีเผลอเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือในภาวะใดๆก็ตามสติจะอยู่กับตัวทุกขณะจิตบุคคลประเภทนี้ มีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นคือพระอาหารหันต์ทั้งนี้ก็เพราะมีหลักอยู่ว่าคนที่ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานจิตยังไม่น้อมไปสู่ความดับไม่มีเหลือของนามรูปถ้าหากยังเป็นอยู่อย่างนี้สติจะสมบูรณ์ไม่ได้ตัวการที่ทำให้สติเผลอก็คือตัณหาอุปาทาน และอวิชชาที่มีอยู่ในสัญดา่นั่นเองหลักที่อธิบายมานี้ถ้าท่านพยายามอ่านหลายๆเที่ยวจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วท่านก็จะได้หลักในอันที่จะทำให้การฝึกสมาธิง่ายขึ้นการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะผู้ทุชนจะมีสติอย่างสมบูรณ์จริงๆไม่ได้ท้งนี้เพราะอะไร ข้าพเจ้าได้ที่บายมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะพยายามหัดให้มีสติอยู่กับตัวทุกอิริยาบทให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และในเวลาฝึกสมาธิก็ขอให้พยายามสอนตัวเองว่าอย่าให้มีความโลภหรือความอยากได้อย่าให้มีความยึดถือในสิ่งใดๆพร้อมทั้งพยายามพิจารณา ให้เห็นการเกิดดับของสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อปฏิบัติตามหลักที่กล่าวมานี้ได้ก็เป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนว่าเราจะสามารถฝึกสมาธิได้และสมาธิก็จะก้าวหน้าไปโดยลำดับแต่ก็อย่าใจร้อนเป็ น, นขาดเพราะหลักมีอยู่แล้วว่าเมื่อเรายังเป็นผู้ทุชนอยู่ จะหวังให้มีสติสมบูรณ์อยู่ทุกขณะย่อมเป็นไปไม่ได้ทำได้แค่ไหนก็ควรจะพอใจเพียงแค่นั้นแต่ก็อย่าขี้เกียจพยายามปฏิบัติอยู่เสมอและปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยวิธีนี้เราก็จะสามารถฝึกสมาธิอยู่ได้เรื่อยๆทั้งจะรู้สึกอีกว่า เป็นการจำเป็นที่จะต้องฝึกอยู่เสมอทุกๆวันและจะต้องฝึกไปจนตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดมาอีกกี่ชาติการฝึกสมาธิก็เป็นของจำเป็นตลอดเวลา